ฉะนั้นเวลาเราไปเฝ้าพระเจ้าเราก็เอามรดกของพระเจ้าไปไปถวายท่านให้ดูว่านี่แหละข้าพเจ้านับถือพระศ า, าสดามาเนี่ยใช่ไหมกี่ปีก็ว่าไปข้าพเจ้าอายุเท่านี้แล้วเป็นพุทธมาตั้งแต่เกิดว่างั้นเป็นใช่ไหมวันนี้ข้าพเจ้าเอามรดกที่ข้าพเจ้าเป็นลูกแต่ที่มีสิทธิ์รับมรดกของพ่อใช่ไหมเนี่ยได้แค่นี้ <laughs> ถ, ถ้าภาษาลิบุตรก็จะเอามารดกออกมามาโอ้โหบางคนเข้าไปหาภาษาลิบุตรก็ค่าแต่ท่านภาษาลิบุตรขอชมมรดกของท่านที่รับมาจากภาษาสดาโอ้โหท่านจะแจกจ่ายเต็มดูไม่หวาดไม่ไหวตื่นตาตื่นใจเราตื่นเต้นจะลืมจะลืมสร้างมารดกของเราเลยนะจะลืมเาไปขอฉนันกลับไปไปขอมรดกพอ่อกลับไปไปขอมรดกพอ่อถ้าจะไปขอต้องเป็นคนดีไปขอไหม นั้นถ้าเราเป็นคนกายไม่สะอาดวาจาไม่สะอาดใจไม่สะอาดไปขอพอ่อพ่อก็ไม่ให้บอกไม่มีเดี๋ยวจะตัดออกจากกองมรดกน่ากลัวนะนใช่ไหมน่ากลัวไว้ถ้าพระศาสดาตัดเราออกจากกองมรดกของท่านใช่ไหมอย่าให้พระศาสดาตัดเราออกจากกองมรดกใช่ไหมเพราะพร ะ, พระศาสดาบอกไว้ด้วยนะบอกว่าในธรรมทายาสูต ร, รไปอ่านสรุปออกมาก็บอกว่าบอกว่าเนี่ยถ้าพูดอย่างเราเราก็บอกว่าลูก มรดกของพ่อมีสองอย่างคืออมิตรมรดกกับธรรมะมรดกแล้วก็เสริมมาด้วยว่าธรรมะมรดกของพ่อมีสองอย่างนะโลกิยะมรดกกับโลกุตระมรดกเออสูงสุดจริงๆอ่ะเธอต้องได้โลกุตระมรดกบอกว่าพ่อบำเพ็ญมาสร้างฐานะมาเนี่ยเพื่อให้เธอเนี่ยได้โลกุตระมรดกไม่ใช่ธรรมะมรดกระดับโลกิยะอย่างเดียวนะฉะนั้นอมิตรสมรดกจึงไม่โพดไม่ต้องพูดถึงเป็นมรดกที่ไม่สะอาด พ่อขายทิ้งแล้วแต่ว่าแต่ว่าเธอเนี่ยที่จะต้องมีชีวิตอยู่เนี่ยมรดกของพ่อนี่ใช้ได้แต่อย่าจมกับมันต้องมานาสิ ก, การอยู่เสมอว่าคําว่าอามิสเนี่ยมันเป็นกลิ่นคาวของกินดิบไงกลิ่นคาวของกิเลสเพัาะงั้ น, น, นถ้ากิเลสเป็นฉาบติดขึ้นมาก็จะจมอยู่กับอามิสสมรดกซึ่งเป็นมรดกที่ไม่ดีมรดกที่ไม่สะอาดเนี่ยพูดกันตรงๆคือพูดแบบเนี้ยพูดภาษาเราพูดอย่างนี้เลย ถ้าพุทธเจ้านะถ้าถอดความออกมาต้องพูดแบบนี้โยมในธรรมธายาสูตรเนะีะถอดความออกมาจะต้องพูดแบบนี้แหละไม่ผิดไปจากนี้แต่ว่าเราใช้ภาษาง่ายของเราแต่ถ้าจะเดินภาษาของพระสูตรก็ต้องเดินให้เพลอเนะี่ยอันนี้ภาษาออกมาเนี่ยต้องสรุปสรุปรปรปะเด็นออกมาอย่างเงี้ยโดยตรงสรุปเนื้อเนื้อ อ, ออกมาออกเป็นอย่างเงี้ยก็คือปรารถนาให้เราได้โลกุตระมวระดกนั่นคือเจตนาของพ่อคือของพระพุทธเจ้าทีนี้ เอาถ้าเธอได้ธรรมะมรดกหรือมรดกแบบไหนก็เอามาบูชาพ่อบ่อยๆไปสถานที่ประสูติตรัสรู้ปริณิพานหรือไปที่พ่อประทับอยู่่ะเธอมาเฝ้าพ่อเนี่ยต้องมามามาม า, มาเอาเอามาถวายพ่อให้ดูว่ายังมีมรดกเหลือไหมมีไหมละ่ะ เ, เข้าไปไ น, นะนะตาหนักไหนไหนไห น, ไหนว่าเป็นลูกของพ่อปฏิบัติตามคำสอนของพ่อทำไมไม่ไ ม, ไม่ไม่มีมรดกของพ่อเลย นี่โดยหลักอย่างนี้เลยโยมในข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยคือใจความออกมาแบบนี้เลยในธรรมธาญาสูตต้องแกะออกมาโยมต้องเจาะออกมาแกะแก่เนื้อในของสูตรออกมาเอามาบริโภคได้ให้ได้เพราโอ้โดยใจความเนี่ยเป้าหมายคือพระองค์โดยตรงกับเราเราพุทธบริษัทแบบนี้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เราก็ได้ตระหนักใช่ไหมว่าโ อ, โอ้เป็นอย่างนี้แล้วถ้ามองอย่างนี้แล้วเนี่ยใช่ไหม อย่างยอมกิ่งกาลเนี่ยตั้งชมลมมาก็เป้าหมายตรงนี้ถ้ามาเดาไม่ผิดใช่ไหมเป้าหมายก็คือให้ต้องให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจมรดกของพ่ อ, อ, อมรดกของพ่อนั่นเองต้องเป็นหัวใจของชมลมเผยแผ่ทำวันพุธเดือนสัมปใช่ไหมว่าเนี่ยเป้าหมายเป้าหมายก็คือต้องการให้พุทธบริษัทเนี่ยได้ได้มรดกของพ่อแต่ไม่ใช่จมอยู่ในอมิสสมรดกของพ่อเนีเพราะพ่อบอกว่าเป็นมรดกที่ไม่สะอาดตรวยั้น เป็นมลรดกที่ไม่ดีเจือด้วยกลิ่นคราวของกิเลสพวกนั้นแต่ทำให้มรดกมีสองอย่างนะเป็นโลกิยะมลรดกกับโลกุตตระมลรดกเนี่ยเขแยกให้ออกก็พี่แยกศีลสมาธิปัญญานี่แหละแยกวิสุทธิเจตโลกิยาแล้วก็วิสุทธิ7ที่เป็นโลกุตรนะนั่นแหละไปแยกตรงนั้นจะได้ชัดเลยอย่านี้เนี่ยถ้าถ้าจับประเด็นอย่างนี้ได้แล้วโอ้เราจะบูชาถูกใช่ดีไหมแบบนี้อย่างนี้ประเด็นก็คือถอดความออกมาก็เป็นแบบนี้ ถ้าหาก็ดึงดึงถอดความออกมาไม่ได้นี่นะคาสอนเราก็กากินไม่ได้ไงเราเราก็ประพฤติไม่ได้เป้าหมายเราอยู่ตรงไหนอะเป้าหมายคือต้องเดินได้ต้องเข้าใจได้ต้องเอามาใช้ได้ใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้เอาถ้าเป็เปนนั่งแกะอ่านแต่ละตัวแต่ละตัวนี่เข้าใจยากนะยากนะกนะเวลาเราก็เหลือน้อยทําไงใช่ไห เวลามไม่ใช่น้อยคืออายุเรามันน้อยไอ้เขาว่าเวลาน้อยเวลาก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่อายุของเราที่อยู่ในโลกใบ น, นี้มันน้อยนิดน้อยนิดมากใช่ไหมอายุของเราที่อยู่ในโลกใบนี้มันน้อยเขาเลยเรียกเวลาเหลือน้อยเวลามันก็อีกเท่าเดิมมันใช่ไหมเวลาคือเวลาแต่เอาอายุของมนุษย์มามาเป็นตัวตัวคิดก็เลยมาคิดเรื่องเวลาอายุเราน้อยก็เลยเวลาเหลือน้อย พูดใหม่บอกอายุเหลือน้อยเวลาเท่าเดิมเนเนี่ยเป็นเงี้ยถ้าเราถอดความคำสอนออกมาได้นี่โอ้โอนะเนี่ยถ้าถ้าในกรณีอย่างเงี้ยฉะนั้นถึงบอกว่าการศึกษาดีไหมดีแต่ถ้าเจาะเข้าถึงคำสอนไม่ได้มันจะวิ่งวนระวังมันจะวิ่งวนนะนะเดี๋ยวถ้าวิ่งวนลยุ่งไหมเนี่ย ยุ่งและชีวิตวุ่นเลยแต่เนี้ยเราก็จับทิศทางไม่ถูกเราจะเดินยังไงเนี่ยชีวิตเราเนี่ยจะเดินยังไงดีฉะนั้นลักษณะการให้ทางท่านถึงใช้คําว่าเออในในชั้นคําสอนว่าถ้าผูกพันด้วยตัณหาสันนิเคปัคโขก็ได้แก่ว่าตังกัมมังเคปัตวาก็ว่าเปตวาก็ได้แก่ให้ผลของกรรมนั้นกรรมนั้นสินส้นน่ะสิ้นสิ้นกรรมนะถ้ากรรมนั้นหมดก็คือเจตนากรรมที่เป็นเหตุแห่งนำปฏิสนธิมันหมด พอหมดกําลังลงก็แปลว่าปฏิเสธที่มันพวังก็หมดกําลังใช่ไหมครัพอผวังหมดกำลังก็จุตินี่ก็สิ้นกรรมสิ้นกรรมก็คือผลของกรรมมันหมดกําลังใช่ไหมบอกว่ากรรมบอกพอแล้วข้าพเจ้ามีเมีกําลังส่งท่านแค่นี้ตกได้แล้วก็ตกหมดกําลังใช่ไหมใช่ไหมในกรณีอย่างนี้เนี่อย่างอย่างตัวเจตนากรรมของเราท่านทั้งหลายก็มีมีกำลังไม่เท่ากันหรอกมีกําลังไม่เท่ากัน แล้วก็ให้เวลานะต่างกันนี่นะให้เวลาก็ต่างกันนั้นแต่ละกรรมแต่ละกรรมท่านทั้งหลายเป็นผู้ผลิตทั้งนั้นเป็นผู้กระทานะไม่มีใครมาเสกสารปั้นแต่งให้เราเป็นผู้ที่กำหนดกฎเกณฑ์ชะตาชีวิตของเราเองนะไม่มีใครมากำหนดให้เราเลยฉะนั้นัวเจตนากรรมทั้งหลายที่เราฝังไว้ในาศาสนาของพระชินเจ้าที่ประเสริฐเนี่ยบุญแล้วเป็นบุญ อ, อันใหญ่หลวงแล้วเนี่ยนะ ก, ก็ตั้งอธยาศายถูกใช่ไหมว่าฉะนั้นถ้าเรามองนี้เราจะสังเกตจิตได้ว่าจิตมีราคาไหมให้ทานเนะี่ยหรือให้ทานแบบจิตปราศจากราคาเนี่ยจิตตานุปัสสนาเขานั้นเออถ้ามองถึงตรงนี้นะถ้าเราศึกษาทานในกุศลเนี่ยอย่างเราทั้งหลายเนี่ยที่เคยศึกษากันมานานๆเนี่ยนะต้องจับประเด็นให้ให้ชัดถ้าจับประเด็นให้ชัดในด้านของทานในกุศลเนี่ยก็ ก็จะเสียหลักแล้วเสียหลักตรงที่ว่าลักลักขณะเจตุกาของทานเนี่ยลักขณะเจตุกาที่แบบปริจาค่าลักขณะมีการบริจาคเป็นลักษณะท่านพูดถึงตัวเจตนาทานเจตนาคือจิตคิดจะให้เนี่ยปริมาณที่เป็นปุพพะเจตนาทานอปะรจเจตนามุลจ่าเจตนาทานและอัปะรจเจตนาทานนี่นะเจตนาสามการนี่นะชื่อว่าจิตถ้าจิตคิดจะให้เนี่ยแมย้มันมีเจิตคิดจะให้ตลอด ปริมาณที่จิตที่เป็นกุศลทีนี้ในกรณีที่ได้ให้ไปแล้วก็เป็นอปราพระเจตนารถใช่ไหมนั่นะคือเจตนานี่ยแหละเจตนาที่น้อมน้อมออกมาตรึกในการที่คิดให้คิดให้ตลอดเนี่ยนะแล้วมีวัตถุในการผลิตเจตนากุศลเจตนาแล้วคนที่เขาเดินกุศลเจตนาได้โดยมากก็เป็นสมนัตเป็นอสังขาริกได้ค่อนข้างชัด เป็นจิตปราศจากราคาประเภทโสมนัสเป็นอสังขารฤกษและเป็นญาณสัมบยุทธ์เห็นไหมปริมาณตรงนั้นน่ะท่านก็จะมาแยกเดี๋ยวต่อไปจะไปแยกว่าชั้นต่ํำยังไงชั้นกลางยังไงชั้นประนีตยังไงนี่เขาแยกกันยังไงเขาวัดยังไงเขาวัดจากการที่ให้เดี๋ยวจะเอาตัวชันทิฏฐิบาตวิรยิยติบาตจิตติฏฐิบาตว่าวิมังสิติบาตมาตัวเป็นตัวเสริมในการไข่ครวนว่าว่าเขาเดินอิทิบาทในเจตนาทานเหล่านี้อย่างไร จะได้เข้าใจว่าว่าว่าเป็นยังไงว่าเหตุเหตุใดทําไมทานาเจตนาเนี่ยนะโลภะวิธังสนาละสังจะไหมมีการทําลายโลภะกิจของเขาอ่ะฉะนั้นคือเป้าหมายจริงๆทานเนี่ยเหมาะแก่คนราคะจริตเนี่ยดีนักดีนักเลยคนรักสวยรักงามประดับประดาตกแต่งเนี่นะโอ้จเจริญจาคานุสตินี่นะให้ทานเนี่ยให้ทานเป็นเนี่ยนักเข้านักเข้าราคะถูกทําลายถูกทุบ ท, ทุกวัน ถูกทุบเป้งเป้งๆนะข้าวนะข้านี่หมดราคะโดนทำลายโลภะโดนทำลายทีนี้พอกําจัดโลภะแล้วมันกระเทือนไปถึงโทสะคือมัชฉริยะมัชชริยะที่อยู่ในโทสะนู่นนะเพราะโลภะเนี่ยเป็นเป็นสมุทัยเป็นเหตุของโทสะเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมนั่นมัชชริยะก็โดนถอนลากไปด้วยนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นโสดาปฏิมาษนั้นจึงละ ละมัชยริยะเป็นสมุทเฉทิะปะหารเลยเห็นไหมละมัชยริยะเป็นสมุทเฉทิปะหารเลยโมหะกระเทือนด้วยโมหะกระเทือนด้วยเพราะวิจัยขนาดนี้ไม่กระเทือนได้ไงโมหะไอที่วิจัยไม่ได้นี่แหละเพราะโมหะไม่กระเทือนเขาจะป่าวงั้นโมหะก็กระเทือนถูกละถ่ายถอนไปด้วยด้วยมรรคสูงสูงแม้โมหะแม่แม่สวดาปริมรรคก็ละได้นะสังเกตดูภวะวิภวะสัมปติปยุปทานนางนะมีความสมบูรณ์อย่างพบชาติทีไหม ก็คือได้อะไรอายุวรรณสุขาภละสมบูรณ์มากได้ความสมบูรณ์มากได้ทั้งรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขั น, ข น, ขนวิญญาณขันก็สมบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมคือสีเสียงกลิ่นรสผโภถภะรำอารมณ์แวดล้อมก็สมบูรณ์มันจะอะไรนิยมโตเก้าอี้คือโตเก้าอี้ใช่ไหมสุนัขอยู่กลางถนน ก, ก็มีสีเสียงกลิ่นรสผโภถภะและทำอารมณ์ เราก็มีสีเสียงกินรสโปรดภพและธรรมอารมณ์ไม่ต่างกันแต่ต่างความหยาบกับประณีดหยาบปานกลางประนีดเดี๋ยวก็จะไปแยกรายละเอียดนะฉะนั้นเห็น ไ, ไหมว่าสัตว์ที่ฉันเขาก็มีสีเสียงกินรสสัมผัสธรรมอารมณ์ที่เขาสมมุติว่าเป็นบ้านเขาเขาก็มีเราก็มีสีเสียงกินรสโปรดภพะธรรมารมณ์ก็สมมุติว่าบ้านเหมือนกันสรุปแต่เราศึกษาปรมัตธรรมจะมีอะไรเนี่ยเนี่ยดยทีูดิ สีเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑ์แล้วก็ธรรมอารมณ์มีแค่นี้ที่สิ่งแวดล้อมเราแต่เราจะไปบัญญัติเป็นอะไรเป็นตึกเกยเป็นอาคารเป็นพัฒนาารเป็นยึว่ากันไปเหอะแต่สรุปก็คือสีเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์และธรรมอารมณ์ใช่ไหมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรคือสภาวธรรมคือสภาวธรรมนี่ถ้าเข้าใจในลักษณะนี้มันอยู่ที่การที่ว่าจิตที่คิดจะให้ปรุงแต่งจิตจะปรุงงไงถ้าเป็นลักษณะว่า และความสิ้นภพชาติมีคําว่าวิภาวะด้วยนะาภาวะวิภาวะสัมปติก็คือมีความสมบูรณ์แห่งภพชาติและความพ้นจากภพชาติเป็นอาการปรากฏใช่ไหมพ้นจากภพชาติเป็นอาการปรากฏฉะนั้นการพ้นจากภพชาตินี้แปลว่าอะไรไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะให้สังเกตดูนะว่าอะไรเป็นปัจจัยฐานเป็นเหตุใกล้ของเป็นเหตุใกล้ของ ทานเจตนาของทานสัตยยะปะทัทานังสัตยยะปะทัทานังศรัทธาเจตสิกที่มีสภาพแห่งความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นในคุณของพระเจ้าพระธรรมประสงค์เชื่อมั่นในสิขาสามนั่นแหละเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นปฏิจสมบาทนว่าสติคืออานาจของเจตนากรรมทั้งหลายน่ะ มีอำนาจแห่งการให้ผลในลำดับแห่งตนได้เชื่อมั่นอย่างนั้นนั้นความเชื่อมั่นในลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าสัจทยะยปะทัฐานังฉะนั้นทานเราเชื่อเราว่าการให้ทานเนี่ยถ้าเรารู้ว่าทานเนี่ยเป็นใช่ไหมทานกุศลเจตนาทานเนี่ยเป็นกุศลกรรมเมื่อเชื่อมั่นว่าเป็นกุศลกรรมเป็นกรรมที่ทําให้ใช่ไหมเป็นกรรมที่ทําให้กุศลเจตนา ทานของเราเนี่ยมีปริมาณแล้วก็เป็นมีเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นปริมาณที่เป็นไปกับกุนสวเจตนาเป็นเหตุมันเห็นไหมเป็นเหตุที่ขัวเป็นเหตุที่มีผลรองรับเนี่ยนั้นการจะบัญจงเหตุจึงบัญจงด้วยความประณีตใช่ไหมจึงต้องวิเคราะห์เจาะลึกในการที่จะประกอบเหตุเพราะเขาเห็นผลเขามีปัญญาเขาชัดเจนเรื่องเหตุผลไงเหตุผลเขาชัดเมื่อสร้างเหตุแล้วผลต้องเกิดสร้างเหตุแล้วผลต้องเกิดใช่ไหม แล้วเหตุทุกเม็ดเนี่ยทุกอนูเห็นความคิดเนี่ยเมื่อเขาเจาะลงไปเจาะลงไปเบ็เสร็จเนี่ยเขาเห็นผลแล้วคนก็มีปัญญาเหมือนคนประกอบการค้ายมหรือคนทําคนสอนหนังสือจนชํานาญแล้วเนี่ยเมื่อเขาสร้างเหตุปัจจัยครบเนี่ยเขาก็คำนวณผลได้แล้วในกรณีเหมือนกันเวลาเขาจะลงทุนหรือประกอบกิจกรรมใดๆต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ทําอะไรทุกทุกอย่างเนี่ยเขาคํานวณผลได้นะฉะนั้นการที่คํานวณผลได้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเหล่าเนี้ เขาจึงอะไรเขาจึงประกอบเหตุและการประกอบเหตุเขาต้องทำประนีตนะบางทีต้องลือนะ้อคนที่เขาต้องการประกอบทำอะไรให้ประนีตเพราะเขาหวังผลในอนาคตไม่ดีหน่อยเขาก็ลือ้อไม่ดีหน่อยเขาก็ลือ้อนั้นเขาทำทำไมเพราะเขาเห็นผลผู้มีปัญญาเขารู้จักเหตุผลชัดเจนเวลาเขาประกอบบุญเจตนาทานทั้งหลายเนี่ยลงไปในาศาสนาของพระชินเจ้าของทักษิณยบุคคลทั้งหลาย และเขาน้อมใจเป็นยังไงเขาพยายามเขาต้องการทำอะไรเนี่ยเขาต้องการจะปรุงเพราะว่าหนึ่งถ้าเราพิจารณาอย่างนี้จะเห็นชั้นคำสอนประการที่สองวีวีตีการาทานาังให้ทานเพราะยาเกรงก็คือกลัวกลัวเสียงตีเสีงนินทาเป็นต้นส่วนฮิริโอต ป, ปัทานังให้ทานเพราะความละอายชั่วกลัวบาปเนี่ยนะแล้วก็ละอายเป็นต้น นิวระเซนทานนางให้ทานโดยไม่ให้มีเศษเหลือตามเยี่ยงอย่างของฤาษีทั้งหลายที่เป็นยันยันเป็นการบูชายันถ้าขีนายะทานนางให้ทานอย่าถ้าขนายะบุคคลแต่ตั้งจิตไม่ถูกได้ผลมากเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ทานแบบมีจิตโสมนัสในจีวารทานเป็นต้นเหล่านี้นะคือได้อิงอาศัยเจิตที่เป็นโสมนัสเกิดขึ้นปราโมดและโสมนัสเกิดขึ้นอันนี้ก็ยัง เอาไปผูกไว้อยู่ไปติดอยู่แค่ตรงนั้นแต่ข้อที่7ท่านใช้คำว่าจิตตังการจิตตาการังแล้วก็จิตตปริขารังเป็นเครื่องประดับและเป็นเครื่องแวดล้อมจิตคำว่าประดับและแวดล้อมจิตเนี่ยนแวดล้อมยังไงที่สัมยุญด้วยส ม, มถะหรือวิปัสนาอันนี้แปลว่าอะไรต้องการขับเน้น ให้เป็นเครื่องประดับให้เป็นบริวารแห่งจิตแล้วอันนี้เอาแล้วแต่เนี้ยอันนี้ระดมระดมยังไงเป็นตัวผลิตเลยเป็นโรงงานผลิตเมล็ดบุญเลยแต่เนี้ยนะทําให้เมล็ดบุญให้เจตนากุศลทั้งหลายเหล่าเนี้ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างต่อเนื่องดังนั้นทําให้เมล็ดของบุญในกุศลทั้งหลายเหล่าเนี้นะเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องแวดล้อมจิตอันสัมบัตยุทธ์ด้วยสมถะหรือวิปัสนา ทำว่าสมะตรงนี้ถ้าบอกว่ า, วาถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เห็นบอกว่ า, วาในความหมายที่บอกว่าพรหมกายิกานางเทวานางเป็นต้นเหล่านี้นะที่บอกว่าเขาไม่อาจเกิดขึ้นในภูมินั้นได้ด้วยฐานนะเพราะเหตุที่ฐานนั้นเป็นเครื่องประดับจิตอันประกอบด้วยสมถะหรือปัสนาฉนั้นจึงทําฌานและอริยมรรคให้บังเกิดขึ้นด้วยจิตที่ประดับด้วยฐานนั่นแหละย่อมเกิดขึ้นในภูมินั้นด้วยฌานก็แปลว่าไงถ้าดูอย่างนี้นะ ทาที่ถูกปราบด้วยทานนกุศลได้แก่โลภะใช่ไหมส่วนธรรมที่ได้รับอนุญาตจากทานากุศลนี่เกิดขึ้นได้แก่อโลภะฉะนั้นคนที่เขาเจริญทานากุศลมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยน่เข้าโลภะจะค่อยๆหมดกำลังลงอโลภะก็จะมาเด่นในใจขึ้นทีนี้อโลภะเป็นประธานแห่งจิตแล้วทีนี้ก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรติดข้องปัญญาก็นำเขาอีก นัเข้านัาเข้าเนี่ยทำที่ทานกุศลทําให้เกิดขึ้นได้แก่ขึ้นได้แก่อะไรมักต่ำสามผลต่ํามอันนี้ในฐานะอะไรอำนาจของกุศลที่เป็นอุปถ่มอุปถัมภวกสติตรงเนี้ยมาจากตรงเนี้ยในในพระสูตรที่ใช้คําว่าอรังการาปรีะเปรี ย, ะรยะวะทานังเป็นเครื่องประดับและเป็นบริวารแห่งจิตก็หมายความบอกว่าเขาไม่อาจเกิดขึ้นในภูมินั้นโดยทานเป็นต้นเหล่านี้ได้ คือสูงสุดจริงๆที่บดว่าอนาคามีอนาคามีโพติเขาเป็นพระอนาคามีผู้ไม่กลับมาเพราะฌานแล้วก็อนาคันตาวาอิทัตตังบอกว่าไม่กลับมาสู่ภาวะความเป็นอย่างนี้ไม่ผุดไม่เกิดในภพที่สูงสูงในที่สุดจริงๆเขาจะปฏิพญาน่านเห็นไหมทานในกุศลเนี่ยอันนี้แปลว่าเขาสามารถขับเน้นอะไรขับเน้นเป็นจาคานุสติได้แล้ว เมื่อเป็นจาคานุสติได้เบียดเสร็จแล้วเนี่ยเขาสามารถไปเจริญเป็นอนุสติยังอุปจจ้าอุปจาระสมาธิเป็นต้นให้เกิดใช่ไหมเมื่อยังอุปจารสมาธิเป็นต้นให้เกิดเขาเดินฌานอย่างอื่นเป็นต้นได้ด้วยเขาเจริญมรรคก็ได้เจริญนะเขาเจริญมรรคพอเจริญมรรคเป็นต้นให้เกิดขึ้นนะเป็นมรรคต่ำสามผลต่ำสามสมมติเขาเป็นพระนาคาเขาได้ฌานสมาบัติตัวฌานสมาบัตินั่นแหละที่มีทานเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นต้นระดังที่ได้กล่าว เป็นบริวารแวดล้อมแห่งจิตแต่ตกแต่งจิตของสัมปยศกจิตที่เป็นสมถะหรือวิปัสนาสรุปอย่างนี้ว่าทานแะเจตนาก็คืออโลพาทานเนี่ยเขาก็ไปเกิดร่วมไงไปเกิดร่วมจิตในสมถะในชั้นของอุปจาระก็มีในนั้นมีเจตนาไหม mm hmm. นั่นแหละเจตนานั่นแหละมีความฟักตัวมาจากทาน mm hmm. เริ่มฟักตัวบ่มตัวมาจากทาน แล้วก็พัฒนาเรื่อยๆมีความแข็งแกร่งกล้าขึ้นมาเรื่อยๆในที่สุดจริงๆเป็นอุปจาระได้ด้วยจาคานุสติเห็นไหมเพราะจากจาคานุสติเขาเดินกรรมาฐานอื่นได้ถ้าตอนนั้นแปลว่าเจตนานี้นั้นมีเนี่ยเจตนาที่ประกอบกั บ, กบองค์ฌานที่เป็นอุปจาระก็มีเจตนาที่ประกอบกับองค์มรรคในการเจริญมรรคถ้าเขาจะต่อมรรคนี่นะก็มีอีกเหมือนกันเอาสิ <c oughs> เพราะนั่นแหละเขาเรียกเป็นปริขาระเป็นบริวารเป็นเครื่องประดับอะไรเป็นเครื่องประดับ เป็นธรรมที่สัมบูยศกับสมถะและวิปัสนาเราจะเห็นการพัฒนาตัวของเจตนาทานนะเนี่ยมาจากอุศลเนี่ยถ้าไอตัวตัวเจตนาในเนี้ยนะน่ยนเจตนาในเนี้ยผัสเวทนาสัญญาเจตนาเนี่ยเจตนาแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นลูกน้องของอเขาไปเกิดร่วมกับอุสุลก็พังเลยพังเลยนะถ้าเราไม่สามารถเกลียกล่อมมาอยู่ร่วมกันกับ ศรัทธาได้เนี่ยนะกับกุศลได้เนี่ยพังทันดีนะมันคิดการใหญ่ด้วยมันคิดการใหญ่ด้วยนะระวังระวังเขาให้ดีนะตัวเนี้ยถ้าเขาเกิดไปร่วมกับโลภะโทสะโมหะเขาจะเผาบ้านเผาเมืองก็ได้ใช่ไหมเขาจะเขาจะทําชั่วระดับไหนก็ได้ใช่ไหมระดับอย่างพระเทวทัศน์ทมาแล้วก็ได้นะมากกว่านั้นก็ได้ด้วยอามากกว่าเทวทัศน์ก็ได้นะ เจตนาตัวนี้น่ากลัวน ะ, ะถ้าเขาเป็นนัติกาทิถีเอเหตุกาทิถิอกคคียะทิถีมากกว่าพระเทวทัตไหมมากกว่านี่ไงนั้นเจตนาเขาจะให้ยิ่งใหญ่มากกว่าพระเทวทัตก็ไดไ้คือประเภทที่เป็นเป็นตอของวัตฏะเลยก็ยังได้เลยเนี่นะนี่น่ากลัวฉะนั้นต้องต้องดึงมาอยู่ในกลุ่มของเจตนาทานเป็นต้นให้ได้ก่อนเบื้องต้น นั้นเราเราต้องดึงเขามาให้ได้เอามาเป็นพวกของเจตนาโยธาทานให้ได้ก่อนแล้วก็มาผลิตในด้านเอาเขามาทําอะไรมาอบรมเอามาฝึกเรารู้ตัวไหนเขาสาคัญเนี่ยนะจะเป็นตัวสําคัญในการที่จะกระตุ้นเตือนชักนำใช่ไหมถ้าไปร่วมกับตันหาเขาทาให้ตันหามีกําลังแรงไปร่วมกับโทสะเขาทาให้โทสนะนั้นมีกําลังแรง ไปร่วมกับโลภะทำให้โลภะโมหะก็โมหามีกำลังแรงอย่างนี้เป็นต้นถ้ารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไปเกลี้ยกล่อมเอาเจตนามาอยู่กับกุศลเสียวิธีเกลี้ยกล่อมก็คือฝึกทา น, นเจตนาให้ได้เพราะว่าการฝึกจิตที่ยังไม่ไม่ไม่ได้ฝึกเนะี่ยเรียกว่าทานไงนะเรียกว่าทานการฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกเนะี่ยเรียกว่าทาน นะที่เราบอกว่าลูกไปให้การไปทำบุญกันแล้วพยายามจะฝึกจิตลูกกันนะเนี่ยแต่เราฝึกกันไม่ถึงเพราะเราก็ไม่ได้ฝึกให้ถูกต้องเนี่ยนะก็เลยเสียเลยเนี่ยการฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกเนะี่เรียกว่าทานการไม่ให้เนี่ยชื่อว่าเป็นการประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้วใช่ไหมฉะนั้นการให้ทานและควรกล่าวปิยาวาจาเป็นตัวเหล่านี้ นันสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าอันนั้นไปดับไปด้วยทานแล้วก็ย่อมเกิดในภูมินั้นโดยฌานเป็นต้นแล้วในที่สุดจริงๆเนี่ยนั้นทำที่ทานกุศลเนี่ยนะทำให้เกิดขึ้นก็เลยมักตำสาผลตำสามุ่งหมายถึงอำนาจของทานกุศลที่เป็นอุปธรรมพวกสติเนี่ยถ้ามองในลักษณะอย่างนี้บอกว่าเราจะได้เข้าใจนะว่าในชั้นของคำสอนตรงนี้มาก็ก็เลิดไปก่อน อันนี้หมดเวลาพอดีอ่ะมีใครจะถามอะไรอ้าวว่ามาอ่ะมีใครจะถามอะไระ ไ, ไหมโอ้โ ห, โหคน <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์ อ้าวจะไปอ้าจะไปคนที่ไหนอ่ะแม้ถามอย่างนี้อ่ะมาหนักใจเลยเอ า, อางี้ดีกว่าฮะขึ้นหนังสือนี่นะถ้าอามาบอกได้นะในะในอังคุตรนิกายในสัตตการนิบาศก็มีในสัตการนิบาศก็ ม, ใกกมีในทีฆนิกายนะปฏิกะวะก็มีแล้วก็ในใน มัชิมานิกายในอุปริปันาตในทักขินาวิพังกสูตรก็มีนะฉนั้นแต่พูดถึงเรื่องทานนี่มีเยอะในสัพปริสทานก็มีแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนใช่ไหมประเด็นก็คือว่าถ้าเราอ่านเองเนี่ยนะก็ได้ก็ใช้เวลาหน่อยก็แล้วกันนะใช่ ถ้าถ้าจับประเด็นไม่ได้ก็ไปตกมาอยู่นั่นแหละใช่ก็ออตรงนั้นนะก็ถึงงั้นตรงนี้ก็ต้องคือต้องต้องดูหลายๆต้องต้องมีความสามารถเชื่อมต่อกันได้จนสามารถสรุปประเด็นได้ถ้าสรุปประเด็นไม่ได้ก็ก็มีปัญหานะ ฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ, ๆเหล่านี้ก็ต้องมาสรุปประเด็นอะไรให้ชัดนะสรุปประเด็นให้ชัดอ่าถามได้เลยเ ก็คืออย่างนี้กรณีาการฝึกเนี่ยวิธีที่ทำเบื้องต้นให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวช่วงบ่ายจะขับเน้นอีกรอบหนึ่งในเรื่องของเก็บรายละเอียดให้นะจะเก็บรายละเอียดไม่ทราบว่าจะจะลองลองลอ ง, ลองนึกก่อนขอขอขอประมวลความคิดดูนะต้องประมวลอย่างเงี้ยนะเพราะมาก็ไม่ได้บรรยายมานานเลยเรื่องฐานเพราะจริงๆไม่ได้ไ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ากรณีาการที่ว่าที่จะขับเน้นก็คือว่าเกี่ยวในเรื่องการว่าเราจะดึงเอาดึงเอาอิทธิบาทนะเอาอิทธิบาท4ี่คือฉันทาวิริยะจิตตะปัญญาที่พระองค์ทรงบอกไว้นี่แหละนะมเอามามาสัมยุญกับมหากุศลที่เป็นไปกระเจตนาทานอย่างไรเนีย่ยตรงนี้นะ ที่จะมีการผักดันทําให้ฉันทิฏฐิบาทเกิดขึ้นเพื่อจะได้เป็นจิตตะปริขาลังเป็นตัวเหล่นี้เป็นเครื่องประดับจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้ชัดนะเพราะจะต้องดึงเอาอิทธิบาทคือฉันทิฏิบาทมาวิมังเ อ, อ่อวิริยทิทธิบาทจิติธิบาทวิมังสิทธิบาทเข้ามาผสมนะถ้าเราสามปรยุทธ์กระทําเหล่านี้มาประกอบไม่ได้แล้วก็ปรุงแต่งจิตของเราให้มีกําลังไม่ได้ไดไดเพราะว่าถ้าอย่างนั้นดอกไม้หนึ่งดอกเนี่ยจะมีอานิสงส์มากมี มีผลมากมีอาจสง์มากไม่ได้ใช่ไหมถึงจะมีผลมากมีอาจสงมากนั้นต้องมีองค์ความรู้ค่อนข้างชัดถ้ามีองค์ความรู้ชัดมีความเข้าใจชัดมีเจตนาชัดใช่ไหมเจตนานั้นมากระตุ้นฉันทิฏฐิบาทวิมังวิริยะทีิบาทจิตทิ่ทีบาทแล้วก็วิมังสิทธิบาทขึ้นมาได้อิทิบาทมีกําลังเมื่ออิทธิบาทสี่มีกําลังนะตัวอิทิบาทนี่เราเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวกระตุ้น บุพพาเจตนาทานมุญจนะเจตนาทานแล้วก็อปรรษเจตนาทานเพราะขับเคลื่อนตรงนี้ได้แล้วก็จะเป็นปัจจัยทําให้กําลังกําลังของจิตนั่นแหละแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมไอไอพอสภาพจิตเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยสภาพใจนั้นก็จะสามารถที่สามารถที่จะไปทําลายอโลภะทําโลภนะนั้นในหมดกับหมดเลี้ยวหม ด, หม ด, หมดแรงอโลภะก็เริ่มเด่นขึ้นอโลภะก็มาเป็นประธานใช่ไหมเด่นขึ้นแต่สังเกตยังไง ก็เหมือนกับที่ว่าถ้าปรทัดฐานของของอโลภาก็หมายความว่ามีความไม่ติดข้องนะในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์อุปมาเหมือนกับดอกไอเหมือนกับ น, น้ําที่กลิ้งอยู่บนใบบัวเงี้ยตอนนี้มันก็เริ่มชัดขึ้นฉะนั้นมันจะมีความเด่นชัดขึ้นในในกระแสจใจของท่านทั้งหลายที่ฝึกฝึกจากการที่เอาทานาเจเอาทานากุศลเนี่ยมาวิจัยมันจะชัดขึ้น มันไ ด, มได้สัมผัสได้สัมผัสได้ดื่มดำได้จากการที่เข้าถึงได้นะไม่ใช่ไปรอชาติหน้าเข้าถึงไม่ใช่มันไม่ใช่มันเข้าใจปัจจุบันอะพบเนี่ยเพราะเหตุเหตุผลเหตุมันต้องถูกต้องก่อนผลมันถึงจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมทีนี้ผลมันเกิดขึ้นจากการที่จิตของเรานั้นน่ะให้ทานเป็นแล้วก็ชัดเจนขึ้นแล้วผลของการกระทานั้นก็ก็มันเกิดขึ้นมาได้ผลมันก็มาก ถ้าเราบอกงั้นทางเราไปนั่งค้านกันอยู่ดอกไม้หนึ่งดอกนี่แปโกรดกลับเนี่ยนะก็นั่งค้านกันอยู่แต่ถ้าดูปริมาณเราทําเอาดอกไม้หนึ่งดอกเป็นโรงงานผลิตกุศลเจตนาทานได้มันไม่แปลกหรอกมันแปลกก็คือเรานะั่ยแหละที่ทําไม่ถูกเนี่ยนะเพราะเราไม่ทาให้เป็นเพราะคนบางคนเนี่ยเขาสามารถทําวงกลมเล็กๆ เ, เนี่ยเขาได้สมาบัตไปเหยี่ชั้นพรมได้ก็ดินเล็กๆมีอะไรก็ดินหนึ่งครึ่บกระสีนิ้วแค่นั้นเองทํากลมๆแต่อันนั้นทําไมเป็นอุปนิสัยปัจจัยกับเขา ไหมทำให้ผักดันเขาเนี่ยไปอยู่ในพรหมโลกได้ถ้างั้นคุณก็แปลกตั้งถามเขางั้นแปลกที่คุณเพ่งดินอย่างเดียวคุณไปเกิดพรหมโลกเราเจ้าดอกไม้หนึ่งดอกแปดสิโกรดกับนี่ไม่เห็นไม่เห็นแปลกเลยว่างั้นไม่แปลกอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจใช่ไหมตรงนี้ก็เลยเหตุเหตุผลมันชัดเพราะเราทําเป็นเราทําเป็นโรงงานเราไม่ใช่ทําเป็นธรรมดาเนี่ยเราจะตั้งเป็นบริษัทใหญ่ๆ ใ, ในการตัวผลิตเม็ดบุญของกุศลให้ไหลเนี่ยนะ ใช่ไหมอันนี้แต่ก่อนเราไม่ได้ทําแบบนี้ไงใช่ไหมคือจริงๆอะมาอะมามาบรรยายเรื่องสติปัฏฐานอะมาก็นึกว่าแต่เราเนี่ยมุมของกุศลชัดกันหมดแล้วพรมาไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มโยมเท่าไรมาใช่ไหมมาเขาไอ้จะเดินกรรมฐานกันแล้วมาก็นึกว่าชัดเยนกันหมดแล้วอะไรแล้วก็เดินใช่เหตุผลเหตุผลครั้งหนึ่งที่อะมาไปรู้ความจริงเพราะอะไรรู้ไหมอะมาเป็นบรรยายศีล บรรยายนิศีลให้กับคนที่เขาเคยปฏิบัติกรรมฐานกันมาแล้วเรียนจบจบวิทยาบัณฑิตกันเนี่ยบรรยายศีสก็ไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมอมาก็ยิ่ชักแปลกแปแล้วใช่ไหมอมาก็เข้าหนักเข้ า, ขามาก็เลยเลื่อนลงระดับทานก็อ้ามค่อยๆเข้าใจอีกตอนนี้ก็เลยเล ย, เลยรู้แล้วตัวนี้ว่าว้ามาเข้าใจผิดมาตั้งนานเลยเขาจะเข้าใจผิดมานานเลยเดินธรรมะผิดไป อ้าวมันมาจากเจตนาที่ถูกฝึกแล้วนะนั้นะเจตนาทานที่ถูกฝึกนะี่ยคือเอามาเคยเอะใจยโยอมกิ่งกันเคยเป ล, าลออา่ารบอประมาเองบอกท่านอาจารย์เออหลายๆคนยังไม่เข้ า, ขาใจทานเอามาก็ฟังแล้วก็ไม่ได้เก็ตเลยนะเออก็ขอไปก็ไม่ได้ไม่ได้นึกอะไรมากอะ่ะคืออยังยอมเป็นคนป ล, าล่ า, าร้กปรมาไงเอามาก็นึก เข้าใจมากระเถียงในใจกันนะเนะนะขาไม่ได้พูดอะไรหรอกไม่เข้าใจอะไรกันทำกันลืมล่าลมลำเรียนก็จอพเรียนจะจบพี่ทำกันแล้วไปประธานแล้วยังไม่เข้าใจเลยทานนั้นก็ยุ่งแล้วมากันเ้อย่างนันไงอะไรบ่างอ๋อ ต้องให้เขาบัตรทับใจใ่อ๋อเนี่ออ่พราะจริงๆตรง น, นี้ก็คืออย่างที่พระเจ้าว่าน ดูก่อนพิกตัทั้งหลายถ้าใครรู้อา น, นิสงของทานกุศลอย่างที่ตถาคตรู้ที่จะไม่ให้ทานก่อนบริโภคนั้นไม่มีอันนี้ต้องเป็นประโยคสํสำคัญเลยเป็นพุทธพจน์นี้ใช่ๆเพราะไม่เห็นอา น, นิสงไม่เห็นผลว่าผลของทานในยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าโดยตรงก็คือบอกว่า น, นี่สัมมาสัมโพธิญาณที่เราได้มาเนี่ยเพราะทานกุศลเนี่ยทั้งย่าชัดเป็นต้นเนี่ย ถ้าไม่ได้ทานอากุศลเป็นบาทพื้นฐานเบื้องแรกแล้วแต่ถาคตไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ถ้าโดยตรงคือคำนี้เนี่ยครับใช่ใใช่ใชใชำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะ แล้วบอกว่าถ้าพระเจ้ากล่าวเรื่องอะไรนั้นเรื่องนั้นไม่ใช่ธรรมดาเป็นเรื่องที่นําสัตว์ออกจากวตตะได้จริงๆอันนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เสียก็ชัดเลยนะว่าพระธรม ร, รมคําสอนของพระศาสดาเนี่ยเป็นธรรมที่นําออกจากวัตตะทุกใช่ไหมทานจริงๆท่านขับเน้นตัวกุศลจิตตุบบาทใช่ไหมแล้วก็อะโลพะท่านขับเน้นอโลภาทานเป้าหมายคือไปอยู่ตรงนู้น ทั้งนี้เราก็จะเห็นเลยอ๋อเป็นเรื่องของนรรมแทำแท้ๆเลยโดยเป้าหลักเป้าหมายหลักเนะี่ยแต่ต้องมีวัตถุทานในการสละในการสละใช่ไหมนะแต่เป้าหมายหลักจริงๆเนี่ยนะตัวประธานจริงๆเนะี่ยก็คือตัวกุศลเจตนาทานในตัวกุศลจิตทำยังไงให้กุศลจิตที่เกิดขึ้นในการปารบอย่างเี้ยได้มากที่สุดในการที่เสนอะในส่วนจริงก็สละก็เป็น ไม่ใช่ไม่ใช่ใสักว่าแต่สละด้วยสละเป็นด้วยใช่ไหมแล้วก็รู้จักที่จะสละแล้วก็วางใจได้เป็นด้วยในการที่สละนั้นเ <PM. S 2> <Mercy. S 1> มื่อสละเบ็เสร็จแล้วก็คือไม่ติดข้องเลยเนี่ยนะสละแล้วขาดไหมขาดเด้อเนี่ยนะคำว่าขาดอย่างนั้นไม่ใช่ขาดการระลึกนะแต่ตัณหามันขาดสละแล้วตัณหาไอ้ความผูกพันโดยตัณหาน่ะขาดแต่การระลึกถึงเพื่อการผลิตกุศลนั้นไม่ขาด ไม่ขาดกลับกลายเป็นที่ตั้งแห่งการผลิตบุญได้อย่างมโหฬารมหาศาลถ้าอย่างนี้ชัดเลยอะสมควรแก้วเวลาแล้ว